การพูดกันครั้งนี้เป็นความตั้งใจจะแสดงความหมายของคำที่ใช้พูดกันอยู่ซึ่งมอนกำกวมมราเป็นเหตุให้เข้าใจธรรมะผิดนันก็เป็นเรื่องธรรมะด้วยเหมือนกัน ไม่ใช่เป็นเรื่องคำพูดล้วนๆไอ้ธรรมะนั้นมันแสดงด้วยคำพูดถ้าไม่มีคำพูดมันก็ไม่รู้จะแสดงกันด้วยอะไรให้คำคำพูดกับสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนั่นมันก็เป็นของเนื่องกันดังนั้นเราจะต้องรู้จักมันให้ดีๆทั้งสองอย่างอย่าให้มันสับสนปนเปย์กันไปเสียหมด มันจะเข้าใจไม่ได้ทั้งในแง่ของคำพูดหรือในแง่ของธรรมะในคำที่จะเอามาพูดวันนี้ <c oughs> ก็คือคำว่ากามารมคำว่าการสมรสคำว่าการสืบพันธ์และคำว่าการสืบสกุล อฟังดูก็เป็นเรื่องของชาวบ้านแต่ก็มีธรรมะเกี่ยวข้องกับธรรมะอยู่อย่างเต็มที่เพราะธรรมะก็คือความถูกต้องจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องในทุกสิ่งทุกอย่างจะเข้าใจถูกต้องปฏิบัติถูกต้องได้รับผลอย่างถูกต้อง ที่เห็นว่ า, าคำเหล่านี้มันเป็นคำที่ยังเข้าใจกันไม่ถูกต้องน่าจะพูดจากันอยู่ทุกวันในเรื่องของบ้านเรือนก็ดีในเรื่องของธรรมะก็ดีในเรื่องกามารมร่มเรื่องหนึ่ง เรื่องการสมรสเรื่องหนึ่งการซื้อพันเรื่องหนึ่งการซื้อสกุลเรื่องหนึ่งคนสะเพร่าไม่รู้ตามที่เป็นจริงมันจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องเดียวกันหมด <c oughs> แล้วก็รู้แต่ความหมายทางการมารมเสียเป็นส่วนใหญ่ <c oughs> นี่จะต้องการให้เข้าใจชัด ในคำเหล่านี้สำหรับจะศึกษาธรรมะให้มันถูกต้องรู้จะพูดจาหต่อไปให้มันถูกต้องตรงตามความหมายของคำนั้นนั่นและสเร็จประโยชน์แ <c oughs> ห่งกามารมกับการสืบพันธุโดยเฉพาะนี่ <c oughs> เด็กๆมักจะมองเห็นเป็นเรื่องเดียวกัน <c oughs> ที่แท้มันไม่ใช่เรื่องเดียวกันไม่ใช่สิ่งเดียวกันโดยประการทั้งปวงเลย <c oughs> เราจะพูดเรื่องกามารมณ์ก่อนเรื่องกามารมณ์นี่มันไม่ใช่เป็นเรื่องสืบพันธุ เรื่องการสืบพันนั่นมันก็เพื่อบุตรสืบสายโลหิตแต่การมารมันนั่นมันเป็นเรื่องเครื่องล่อเครื่องหลอกหรอือค่าจ้างให้สัตว์โง่โง่มันสืบพนนันที่แท้การมารมมันเป็นเรื่องบ้าวูบเดียวบ้าวูบเดียวนั่นแหละทางตาทางหูทางจามูกทางลิ้นทางกาย ทางใจอะไรก็ตามมันเป็นเรื่องบ้าวูบเดียวแล้วถ้าเป็นกามารวมระหว่างเคสแล้วก็ใครใครก็รู้รู้รู้จักกันอยู่แล้วถึงแม้แต่สัตว์ได้ฌานก็ทําเป็นมันมีกิริยาที่น่าเกลียดน่าชังเหน็ดเหนื่อยแล้วก็เป็นเรื่องบ้าวูบเดียวบ้าวูบเดียวเป็นเรื่อง น่าคบขันนะถ้าไปอ่านดูเรื่องเกี่ยวกับคำว่าเคหะเคหะบ้านเรือนะในพระบาลีมีกล่าวถึงเรื่องนี้ที่แรกมนุษย์ไม่ได้มีบ้านเรือนอยู่ก็อยู่ตามสบายคนไม่ที่โล่งที่แจ้งในถ้ำอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้มีบ้านเรือนอยู่เป็นจิต j a ักษณะ ที่มันมีการกิจกรรมระหว่างเพศกันโดยเปิดเผยฉะนี้คนบางพวกคนบางคนมันเห็นข้ามันก็ชวนกันโหบ้างชวนกันเอาก้อนดินคว้างบ้างเอาถอนไม้คว้างบ้างจนคน ที่จะทํากิจกรรมทางเพศนั่น่ะทําไม่ได้อีกต่อไปในที่เปิดเผยต้องทําเครื่องมุง้งเครื่องบงังบังอย่าให้ใครเห็นอ่าคําว่าเคหะเคหะทิ่ปแปล ว, ว่าเรือนนั่นตัวหนังสือนี่มันแปลว่าเครื่องบงังเครื่องกัน้นเครื่องบังตาฮะมันก็ต้องเกิดบ้านเรือนเครื่องบังตาขึ้นมาเพื่อจะป้องกันไม่ให้ใครเห็นหการทํากิจกรรมระหว่างเพศ นี่มันเป็นเรื่องที่น่าหัวที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้มันเป็นสัญชาตญาณอย่างหนึ่งความรู้สึกทางกามารมณ์นี่มันรู้สึกได้เองเพราะธรรมชาติมันใส่มาให้ในจิตใจของสิ่งที่มีชีวิตแล้วก็ใส่รสเลิศทางเรา ทางทารกระตุ้นนะอย่างรุนแรงไว้ให้ด้วยเป็นที่ต้องต า, เ, าเป็นที่ต้องใจของสิ่งที่มีชีวิต <c oughs> จนเห็นเป็นสิ่งวิเศษไยไอ้คนเนี่ยก็คิดด้วยมันก็จะรู้สึกว่ารถของกามารมเป็นรถสูงสุดสัตว์ได้รั ช, ดดราชานก็เหมือนกัน ต้นไม้ต้นลาย น, น, น, นี่มันไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้ความรู้สึกถ้าว่าจะศึกษากันให้โดยละเอียดแล้วก็จะพบว่าในขณะแห่งการซื้อพันหรือจะปล่อยน้ำเชื่อระหว่างกันนะั้นเป็นเวลาที่ให้ความรู้สึกอันสูงสุดทั้งต้นไม้ทั้งสัตว์ทั้งคนแม่พวกเทวดาที่มันมี ความรู้สึกทางกามถ้าจะยกเว้นก็พวกคกมมันเป็นความรู้สึกที่รุนแรงมีอยู่ตามสัญชาตญาณอย่างนั่นเองทีนี้พอทําไปตามสัญชาตญาณด้วยความโง่เขลามันกลายเป็นเรื่องของกิเลสรุนแรงกว่าสัญชาตญาณ นแยกไว้ความรู้สึกทําระดับพื้นฐานสัญชาตญาณนั้นไม่รุนแรงพอ ก, กลายเป็นกิเลสมันก็กลายเป็นรุนแรงเรื่องการมารุมมันก็รุนแรงมันเป็นฆาตจ้างหรือเครื่องหลอกให้ทําการสืบพันธ์การสืบพันธุ์โดยตรงเพื่อการมีบุตรมีลูกนั้นอะ่ะมันลําบากมันเจ็บปวดมันเดือดร้อนอย่างที่เห็นกันอยู่ ไม่มีใครอยากทำนะแต่ธรรมชาติมันเนื้อกว่ามันก็เลยใส่อกามารุมปิดฉลากไว้ข้างหน้าเป็นเครื่องล่อเป็นค่าจ้างให้สัตว์เหล่านั้นทำการสืบพันธุ์ที่แสนจะยุ่งยากลำบากเจ็บปวดนั่นเป็นเรื่องทาได้ไปด้วยดีส่วนที่เป็นกามารมุมความรู้สึกระหว่างเพศทางเพศนั้นมันอีกเรื่องหนึ่ง ไม่ใช่เป็นเรื่องการสืบพันธ์เป็นการหลงไหลในรสรอยทางอาญสันนะระหว่างเพศถ้าไม่มีอันนี้ใส่ไว้ให้เป็นเครื่องเครื่องเป็นค่าจ้างเป็นเครื่องหลอกแลก้วจะไม่มีใครสืบพันธ์ <c oughs> สัตว์ดุรัชานก็ไม่สืบพันธ์คนก็ไม่สืบพันธ์ แต่โดยเหตุที่ธรรมชาติมันฉลาดกว่ามันใส่ค่า จ, จ้างหรือเครื่องหลอกเราไว้ข้างหน้าอเป็นเบื้องต้นของการสืบพันธุ์มันคนก็หลงศาสต์หรือคนก็หลงใน <c oughs> เรื่องรสอร่อยของกลามารมณ์ <c oughs> มันเลยทําการสืบพันธุ์ให้เห็นว่าเป็นคนละเรื่องอย่างนี้ ในเรื่องกามารมมันก็เป็นเรื่องความเป็นธาตุเป็นธาตุของอาญาเป็นธาตุธาตุที่ฆ่าไม่ใช่ธาตุถูกเป็นธาตุที่ฆ่าของอายาตนละทางอายาตนละจะต้องรับโทษ <c oughs> สมตามที่มันโง่ จนกระทั่งตายมันบูชากันจนกระทั่งตายสรุปความว่าที่มันมีการสมรสนั้นโดยเนื้อแท้มันเพื่อกามารมมันไม่ใช่เพื่อการสืบพันธุ์ึงยุ่งยากลำบากจะปวดแต่แล้วมันก็พ่ายแพ้แก่ธรรมชาติติดเหยือ่อรอติดบวงรอติดเบ็ดอของธรรมชาติคือกามารม เห็นแก่การมารมจึงได้ทำการสมรสคนอาจจะแก้ตัวว่าสมรสเพื่ออย่างอื่นเพื่อเพื่อสืบพันเพื่ออะไรก็ได้แต่มันคงจะโกหกสดสดร้อนร้อนอนะเพาะโดยที่แท้มันก็เพื่อกามารมเป็นเบื้องหน้าท่า น, นเราจะรู้จักแยกการมารมออกมาเป็นเรื่องหนึ่งต่างหาก จากการสืบพันธุ์แต่ก่อนที่จะมีการสืบพันธุ์มันก็มีการสมรสนะ่คือมีการร่วมกันในทางเพศ น, นี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเรียกว่าการสมรส ถ, ถ้าเป็นสัตว์เดราชานก็ไม่มีพิธีรีตองอะไรเป็นต้นไม้ต้นลม้ก็ผสมพันธุ์กันเรียกว่าสมรสนะโดยไม่มีพิธีรีตองอะไร มันเพิ่งเป็นเรื่องของคนที่คิดได้มากอ่จะจัดทำเป็นในพิธีรีตองขึ้นมามีเกียรติมีอะไรสูงสุดคล้ายๆกับว่าไอ้สิ่งสูงสุดในชีวิตก็คือการสมรสนั่นเองเนี่ยมันโง่ถึงขนาดนั้นมันจึงตระเตรียมเงินทองข้าวของทรัพย์สมบัติอะไรก็ตามเพื่อ ก, การสมรสให้มีเกียรติให้ให้สูง ใ, ให้ดีให้เด่นให้ดังอย่างยิ่ง กลายเป็นเครื่องดีที่สุดของมนุษย์ไปนี่เรื่องการสมรสที่มันแฝงเข้ามาในเรื่องของกามารุมมันเนื่องกันอยู่กับการสืบพันธุ์ที่เราเรียกการพูดเรื่องการสมรสกันเสร็จด้วย คำว่าสมรถนั่นคนทั่วๆไปมักจะเข้าใจว่ารถผสมกันสมมันเอเป็นคำว่าผสมผสมรถก็เรียกว่าสมรถที่จริงตามหลักของภาษาบาลีที่ถูกต้องมันไม่ได้แปลว่าเอารถผสมกันแต่มันแปลว่ามีรสเสมอก่ะ สมแปลว่าเสมอรถก็แปลว่ารสสมรสสมรสนี่แปลว่ามีรถเสมอกันนี่ความหมายมันอยู่ที่นั่นมีรถเสมอกัน <c oughs> มีความต้องการตรงกันมีอะไรเท่ากันแม้แต่มีธรรมะก็มีร่วมกัน แต่คนโง่มันก็ต้องเอารถของกามารวมนั่นแหละว่าเสมอกันเสมอกันจะเขาบอกไว้เสียเลยให้ถืออความหมายของคำว่าสมรสนั้นมันแปลว่ามีรถเสมอกันคือชอบเหมือนกันต้องการเหมือนกันอะไรเหมือนกันมันจึงจะอยู่ด้วยกันได้นี่คําว่าสมรสนี่ก็เพื่อจะทาให้เกิดการร่วม การผูกพันซึ่งกันและกันคล้ายกับการผสมข้าวด้วยกันเหมือนกันแนะอแต่ว่าความหมายแท้จริงมันมีรสเสมอกันมันต้องการอย่างเดียวกันคนเกิดมาเพื่อจะได้อะไรในที่สุดที่ดีแท้น่ะควรจะได้อะไรแล้วเมื่อทั้งฝ่ายตัวผู้และตัวเมียฝ่ายหญิงฝ่ายชายฝ่ายผัวฝ่ายเมีย เขาต้องการเหมือนกันเขาก็เลยมาร่วมแรงกันเพื่อทำให้กิจกรรมในหน้าที่นั้นมันง่ายขึ้นอย่างน้อยสักครึ่งหนึ่งดีก็แยกทำอยู่คนเดียวในการหาทรัพย์สมบัติก็ดีถ้าได้เป็นสองแรงก็ง่ายขึ้นมาครึ่งหนึ่งในการหากิจยศชื่อเสียงอำนาจวาสนาบารมีก็เหมือนกันถ้าช่วยกันมันก็ง่ายกว่าครึ้หนึ่ง นี่เรียกว่าการสมรสนี่มันมีความหมายเพื่อช่วยกันทำหน้าที่ที่มนุษย์จะต้องทำให้มันง่ายขึ้นมาครึ่งหนึ่งถ้าคนมันเป็นพุทธบริษัทศึกษาธรรมะมาอย่างเพียงพอแล้ว มันก็จะยอมรับในข้อที่ว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงทุกชีวิตทุกชนิดหนึ่งมันมีที่สุดจบจุดหมายปลายทางอยู่ที่นิพพานนั่นจะพูดอย่างโง่เขลาก็ได้เขาเขพูดกันอย่างนั้นเหมือนกันนะมันเวียนว่ายไปจนกว่ามันจะนิพพานมันจึงจะหยุดนี่คือมันได้สิ่งที่ดีที่สุดแล้วมันจึงจะหยุด ก็จะเปนจริงเป็นที่ยอมรับว่านิพพานนะมันเป็นที่ไปในเบื้องหน้ามันรออยู่ข้างหน้าที่นี้เชื่อว่ามันได้ร่วมแรงกันระหว่างคู่สมรสมันจะช่วยได้มากเป็นการปฏิบัติเป็นการศึกษาในการสมรสกันนั่นแหละจะเป็นการศึกษา ให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรการมารุมคืออะไรบ้าวูบเดียวอย่างไร่ ใ, ในที่สุดมันก็รู้กันด้วยกันแล้วมันก็จะมีจิตใจสูงขึ้นสูงขึ้นกล้พระนิพพานเข้าไปทุกทีแต่คนโง่มันทําไม่ได้ไอ้ชาติโง่มันทําอย่างนี้ไม่ได้มันก็สมรสเพื่อกามารมณม ไม่ใช่สมรสเพื่อว่ามันจะช่วยกันเดินไปข้างหน้าโดยเร็วง่ายขึ้นในการทําหน้าที่พ่านดานทุกด่านทุกด่านทุกด่านเรื่อยไปจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางคือ น, นิพพานถ้ามันรู้อย่างนี้ไอ้การสมรสนั้นก็มีประโยชน์มากช่วยเร็วขึ้นในการศึกษาในการปฏิบัติในการรู้แจ้ง นี่มันยิ่งไม่ใช่เรื่องกามารมณ์เห็นไหมเห็นไหมแล้วมันก็ไม่ใช่เพื่อการสืบพันธุ์ด้วยถ้ามันเป็นเรื่องสมรสในความหมายของธรรมะในภาษาธรรมแล้วมันก็จะเหมือนการร่วมแรงกันจูงมือกันเดินไปข้างหน้านั้นถ้าว่ามันมีความเข้าใจถูกต้องอย่างนี้ในการสมรสนั้นก็เป็นการศึกษา เป็นการจัดเป็นการทําให้เร็วขึ้นเร็วขึ้นในการที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางของมนุษย์มันก็เลยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มันก็มีความหมายสำคัญอยู่ที่ว่ามันต้องมีรถอันเสมอกันสมรสสมรสรถเสมอกันคือต้องการอย่างเดียวกันเป็นคู่ทุกคู่ยากที่จะฝันฝ่าไป กว่าจะถึงจุดหมายปลายทางนั่นนะจึงจะเรียกว่าการสมรสอันแท้จริงในความหมายของธรรมะแต่คนธรรมดาคนง่อบุทุชนนั่นมันคิดอย่างนั้นไม่ได้มันคิดไม่เป็นเลยมันไม่ยอมคิดแม้ใครจะบอกมันก็ไม่เชื่อมันก็สมรสเพื่อกามารมณ์อย่างเดียวแหละนั่นแยกกันเสียให้เด็ดขาดว่าไอ้ความหมายคาว่าสมรสโดยแท้จริงโดยทางธรรมะนั่น มันเป็นอย่างไรนี่เรียกว่านีความหมายต่างหากจากก า, มารมรมและต่างหากจากการสืบพันธ์แต่เดี๋ยวนี้มันก็มีการสืบพันธ์เกิดขึ้นเพราะการสมรสข้อนี้มันก็ช่วยไม่ได้ มันต้องแยกออกมาเป็นอีกเรื่องหนึ่งคือการซื้พันยาให้ศูนย์พัน เ, เพราะว่ามันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติอยู่ในภายในเรียกว่าสัญชาตญาณสัญชาตญาณเรื่องสัญชาติญาณ น, นั้นไม่ค่อยเอามาสอนกันที่จริงจําเป็นมากที่จะต้องรู้ในการศึกษาธรรมะ เ, เพราะว่ามันเป็นพื้นฐานของชีวิต เป็นสมบัติของชีวิตประจํากันมากับชีวิตเรียกว่าสัญชาตญาณคือความรู้ที่มันเกิดขึ้นมาได้เองในชีวิตโดยไม่ต้องมีใครสอนอสัญชาตญาณที่เราจะเห็นกันง่ายๆเป็นรายละเอียดกับสัญชาตญาณแห่งการหาอาหารต้องการอาหารแล้วก็หาอาหารก็กินอาหารแล้วก็ สะสมอาหารนี่อย่างหนึ่งสัญชาตยานแห่งการต่อสู้ต่อสู้ต่อสู้ทุกอย่างเพื่อความรอดอยู่ของตนแล้วก็สัญชาตยานแห่งการวิ่งหนีหรือหนีถ้าเห็นว่ามันสู้ไม่ได้มันก็ต้องหนีมันมีสัญชาตยานอยากอยากจะให้ดีใหเ้เด่นให้ดังยิ่งยิ่งขึ้นไปนี่เป็นสัญชาตยาน แล้วทำอะไรได้ตามลำพังตัวเองไม่ต้องมีใครสอนความรู้สึกอย่างนี้แต่ว่ามันมีสัญชาตญาณแม่บทแม่บทตัวเดียวคือสัญชาตญาณแห่งความมีตัวตนมีความรู้สึกว่ามีตัวตนนี่ตัวตนถ้าถัดเดือดพล่านจัดเข้าาตัวกู้มีตัวกู้สัญชาตญาณแห่งความมีตัวตนรู้สึกว่ามีตัวตนเป็นตัวกู้นั่นแหละมันมันยืนอยู่เป็นหลัก เป็นประธานเพราะมันอยากมีตัวตนมันก็ไม่อยากตายมันต่อสู้เพื่อไม่ให้ตาย <c oughs> มันก็ต้องหาอาหารกินมันก็ต้องต่อสู้กับอันต ร, รายถ้าสู้ไม่ได้มันก็รู้จักวิ่งหนีเอาตัวรอดสัญชาตญาณอื่นๆจะมีสักกี่อย่างมันก็ไปรวมอยู่ที่สัญชาตญาณแห่งความมีตัวตน <c oughs> ที่มันก็มีสัญชาตญาณเพื่อการสืบพันธ์ความต้องการที่จะสืบพันธ์ไม่ให้ศูญหายไปนี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งด้วย <c oughs> มันเป็นสัญชาตญาณไม่ต้องมีใครสอนนี่มันเกิดได้เองในจิตใจในความรู้สึกแล้วกเกิดอย่างเต็มที่ <c oughs> ต้นไม้ตน้นไม้นี่ก็เหมือนกันมันมีความต้องการที่จะสืบพันธ์ แต่เราไม่ค่อยได้ศึกษากันเลยไม่ค่อยจะรู้ตอนนี่ต้องการสืบพันธ์อย่างยิ่งเพื่อไม่สูญพันธ์มันต่อสู้ทุกอย่างดิ้นรนทุกอย่างเพื่อมีการสืบพันธ์นานาชนิดเลยเกสนตัวผู้กับเกสอนตัวเมียนะั่นอยู่ในดอกเดียวกันก็มีอยู่ต่างกันคนละดอกก็มีเพื่อมันมีโอกาสสืบพันธ์ ถ้าในดอกเดียวกันมันก็ง่ายแหละมันก็ร่วงใส่กันเองได้แล้วก็เกิดเป็นลูกขึ้นมาถ้ามันอยู่กันคนละดอกแมลงก็ต้องพาไปให้ถ้ามันอยู่ไกลกันมันก็ยังมีการปลิวไปโดยลมอากาศหรือลอยไปตามกระแสน้ำแล้วก็ไปไปสืบพันมันพบไอ้คู่สืบพันนี่ตอนไม้มันยังพยายามที่จะสืบพันถึงขนาดนี้ แล้วพอถ้าไปทำให้มันเจ็บปวดเราก็าจะตายมันจะรีบซืบพันทันทีเนี่เรื่องนี้ประจักษ์ที่สุดเลยแต่ว่าถ้าคุณไม่เคยเกี่ยวข้องก็ไม่รู้ <c oughs> ต้นไม้ต้นไหนที่มันไม่เป็นลูกมันเป็นเสื้อเปล่าๆ เ, นะเป็นมีต้นไม้มีต้นเสื้อเปล่าๆดกเขียวดีแต่ไม่มีลูกนะี่นะถ้าไปทำให้มันตาย มันก็จะรีบสืบพันทันทีแล้วก็ตายต้นลำไยที่อยู่ข้างกุฏิตรงทางนั้นเราเคยทดลองอย่างนั้นเอาไฟเผามันไม่เคยออกลูกเมื่อกี่ปีกี่ปีเอาไฟเผามันก็ออกลูกมาสองสามช่อแล้วมันก็ตายมันอยากจะทิ้งพันว่ายเมูนย์พันนี่สัญชาตญาณแห่งการสืบพันมันมีมากถึงอย่างนี้ ไอ้พวกที่ตัดยอดไม้ไปปักเช่นยอดเข้มเขปลูกต้นเข็มเนาะไอ้ยอดที่มันมีดอกแก่จัดจะเป็นลูกหรือเริ่มเป็นลูกเล็กๆไอ้ยอดอย่างนั้นเน่ะตัดไปปักจงไม่ค่อยตายเพราะเพราะมันต้องการจะรักษาพันธุ์นั้นไว้แต่ว่าถึงแม่ยอดที่ไม่มีลูกไม่มีดอกมันก็พยายามเหมือนกันที่จะไม่ตายแต่ไม่คเคยจะแน่นอน สู่ยอดที่มันมีดอกหรือมีลูกอ่อนไม่ได้มันแน่นอนนี่มันรักษาพันธ์มันต้องการจะไม่สูญพันธต้นไม้ต้นลายมันก็อยากจะมีการสืบพัน์เพราะมันมีสัญชาตญาณตามธรรมชาตินี่สัตว์ทั้งหลายมูหมากาไก่เนี่ยก็เห็นกันอยู่มันก็มีสัญชาตญาณแห่งการสืบพันธ์ ไม่ต้องมีใครสอนไะไม่ต้องมีใครสอนไม่ต้องมีใครทําตัวอย่างมันก็มีความรู้เป็นสัญชาตญาณเกิดขึ้นมาในตัวมันเองมันก็ทาได้เพื่อการสืบพันธุ์อันนี้คนนี่มันก็ไม่ต้องพูดมันยังมีตัวอย่างมันยังสั่งสอนมันยังอะไรกันมากแม้ไม่มี ใ, ใครสั่งสอนมันก็ทำเป็นมีสัญชาตญาณในการสืบพันธุ์แต่แล้วก็ไม่ ไม่ผิดไปจากที่ว่ามาแล้ว่ะมันต้องลงเยื่อล่ อ, อคือการมารมรสอร่อยสูงสุดในขณะที่จะมีการถ่ายเทเชื่อตัวผู้จากสูเชื่อตัวเมียในในขณะนั้นเท่านั้นนะที่จะเป็นรสชาติสูงสุดแต่ปลาที่มันผสมพันธุ์กันถ้าเคยเลี้ยงเคยสังเกตเคยศึกษาก็าจะเห็นว่ามันมีระยะสูงสุดเมื่อการ ปล่อยน้ำเชื่อข้างตัวผู้ไปใส่ไข่ของตัวเมียไข่ในท้องก็ได้ไข่ที่กำลังหลุดออกมาก็ได้ในระยะที่ปล่อยน้ำเชื่อก็ฝ่ายตัวผู้ไปสู่ตัวเมียเป็นระยะสูงสุดทางกามารมุมอย่างนี้เป็นตัวอย่างสัตว์อื่นๆก็เหมือนกันแหละระยะสูงสุดทางกามารมุมคือระหว่างที่ทายเชื่อตัวผู้ไปสู่เชื่อตัวเมียนี่รถสูงสุดทางกามารุมอยู่ที่นี่ มันเป็นคาดจ้างเยื้อล่อให้สัตว์ยอมทําการสืบพันธุโดยรู้สึกตัวก็ได้โดยไม่รู้สึกตัวก็ได้แต่ถ้าไม่มีเรื่องร่องการมารมณ์เข้ามาเป็นเครื่องจ้างแล้วมันก็ไม่ทำนี่การสมรสก็เหมือนกันแหละมันก็มีความมุ่งหมายของการสืบพันธุโดยสัญชาตญาณอยู่เป็นส่วนลึกแล้วก็มันมี ความพอใจในกามารมณ์ซึ่งเป็นเหยื่อหรือเป็นขาดจ้างแล้วมันก็มีการสมรสเนี่ยคนบูทุชนคนโง่ตามธรรมดาเขารู้จากการสมรสกันแต่เพียงเท่านี้ที่เราพูดมันเลยเถิดไหเป็นเรื่องเหนือธรรมดาว่าสมรสนี่ขอให้เป็นว่าจะจูงมือกันไปเดินทางไกลไปสู่พระนิพพาน พูดอย่างนี้ก็มีแต่คนเขาไอ้บ้าเ้าก็ยอมยอมบ้าแต่อยากให้มีความหมายคำว่าสมรสมันดีสักหน่อยมีรสเสมอการมุ่งหมายในเบื้องหน้าจุดหมายปลายทางคือดับทุกสิ้นเชิงให้การสมรสนี้เป็นไปเพื่ออย่างนี้อย่าให้เพื่อกามารมย์อย่าก้มหัวให้กิเลสมันขึ้นขี่คอใสหัวไปหากามารมย์เพื่อการสมรส คอยการสมรถเป็นอิสระแยกออกมาเสียจากกามารมณ์แล้วก็เือว่าเป็นการเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางถ้ามันมันไกลเกินไปเดินคนเดียวรชั่วอายุคนเดียวไม่ได้นั่นแหะคือการสืบพันธ์จำเป็นจําเป็นให้สืบพันธ์ไหวแล้วก็เดินทางต่อไปก็สืบพันธ์ออกมาไหวเดินทางต่อไปสืบพันธ์ออกมาไว้เดินทางต่อไป สักวันหนึ่งครั้งหนึ่งมันก็จะถึงจุดหมายปลายทางในการสมรสนี่นเป็นไฟเพื่อการสืบพันไววสำหรับเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางของสิ่งที่มีชีวิตคือพระนิพพานนั่นเองถ้าถามว่าสืบพันทำไมก็สืบพันไหวเพื่อจะเดินไปสู่จุดหมายปลายทางอย่างไ้ ถ้าไม่มีการสมรสก็ไม่มีการสืบพันธุ์เพื่อคอยการสมรสเป็นการกระทําไปด้วยสติปัญญาด้วยเจตนาที่จะถูกต้องอันที่ถูกต้องที่จะสืบพันธุ์ไว้สําหรับให้มีการเดินทางต่อไปอย่าให้อาขาดสายได้อมนี่เป็นเรื่องของการสืบพันธุ์่มันเป็น สัญชาติญาณอยู่ในความรู้สึกของสิ่งที่มีชีวิตต้องการจะไม่ซูญพันเนี่ยเมื่อเป็นเรื่องใหญ่แต่ว่าธรรมชาติมันต้องล่อต้องหลอกด้วยข่าจ้างคือกามารุมนี่ต้องจ้างหรือต้องหลอกด้วยการมารุมเพื่อเจ็บเพื่อกลบเกลือนความเจ็บปวดความยุ่งยากลําบากในการสืบพันธุ รู้สี่การตั้งคันเป็นอย่างไรการรักษาคันเป็นอย่างไรการคลอดเป็นอย่างไรการเลี้ยงลูกเป็นอย่างไรมันรุนแต่เจ็บปวดลําบากกันนอืมแต่แล้วมันก็พ่ายแพ้แกข่ขาด จ, จ้างมันยังยอมทําหรือทํามาได้โดยไม่รู้สึกตัวโดยไม่รู้สึกตัวก็สุดแท้ชนชาติตยานแห่งการสืบพันธุ์มันก็เลยจําเป็น <c oughs> มิฉะนั้นมันก็ศูนย์พันมันก็ไม่มีมนุษย์ <c oughs> อยู่มาได้จนถึงบัดนี้มันจะไม่อยู่มาได้จนถึงบัดนี้นี่เรียกว่ามันจำเป็นที่มันต้องมีการสืบพันธ์มันจะมีการสืบพันธุ์มันต้องมีการสมรสจะมีการสมรสมันต้องมีค่าจ้างคาเครื่องหลอกลวงคือกามารม จึงขอให้ทุกคนสนใจความหมายของคำสามคำนี้ก่อนว่ามิใช่สิ่งเดียวกันการมารวมคือค่าจ้างของธรรมชาติให้คนโง่มันสืบพันมันจะโดยโดยผ่านทางการสมรสเนี่ยสมรสแล้วก็มีลูกมีผู้สืบพันออกมาก็เป็นการสืบพัน กามารุมเป็นข้าจ้างสมรสเป็นการกระทำผล ค, คือการได้พันหรือสือพันในธรรมะในภาษาธรรมะนะี่มันพูดไว้ชัดนะ่ะแต่คนมันไม่รู้มันเข้าใจกรรำกรวนเป่นเปกันหมดเลยเข้าใจไม่ได้แม้คนธรรมดาสามัญลูกเด็กๆเนี่ยมันเข้าใจกามารุมเป็นเรื่องสืบพันธุ์สืบพันุนเป็นกามารมุมสมรสเป็นกามารมุ ม, รเาร ม, ารมเป็นเรื่องเดียวกันไปหมด ถ้าคุณจะรู้ธรรมะมันชัดเจนมันถูกต้องคุณต้องแยกคำทั้งสามนี่ออกเป็นสามคำแล้วก็รู้ความหมายหรือหัวใจของความหมายน่มันเป็นอย่างไรอย่างไรจะสามารถฟังธรร ม, มะเข้าใจาสามารถจะปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้ได้ถูกต้อง <c oughs> เพราะว่าที่บวชนี่ยังไม่ได้แต่งงานก็มีหรือว่าแต่งงานแล้วก็มีหรือว่าคนแก่ก็ตามใจ มันก็ต้องรู้เรื่องเหล่านี้ว่าเป็นอย่างไรตัวเองได้ผ่านมาอย่างไรตัวเองได้ผ่านมาด้วยความฉลาดหรือด้วยความโง่นั่นเงเอามาพูดจะเห็นว่าไอ้สามคำนี้ไม่ใช่สิ่งเดียวกันทีนี้มันก็เหลือคำสุดท้ายาคือคำว่าสืบสกุลสืบสกุลบอกแล้วว่าสี่คำกลามารวมคำหนึ่ง สมรสคำหนึ่งสืบพันธ์คำหนึ่งอันที่นี้ก็สืบสกุล <c oughs> นี่ก็เป็นเครื่องอ้างหรือเป็นคำพูดที่เขาชี้ชวนชักจูงกันมากเหมือนกันว่าให้มีการสืบสกุลอย่าให้สูญศักดิ์ศรีของสกุลให้สกุลอยู่ยืดยาวรุ่งเรืองไปตลอดกาลนาน อันนี้ก็อีกนั่นแหละมีปัญหาที่จะต้องดูให้ดีว่าไอ้สืบสกุล น, นั่นคืออะไรแล้วก็ยังแบ่งแยกออกได้เป็นสองชนิดที่ต่างกันมากนะต่างกันอย่างมากมายยิ่งที่สุดเลยว่าซืบสกุลโดยทางสายโลหิตอย่างหนึ่งสืบสกุลโดย คุณธรรมที่มีอยู่นี่อย่างหนึง่งสืบสกุลได้สายโลหิตมันออกมาจากสายโลหิตเป็นเออเป็นนามสกุลนั้นรักษากันให้ต่อไปอสืบสกุลที่สืบสกุลโดยคุณธรรมนะไม่ใช่อย่างนั้นคือเขามีคุณธรรมที่ทาให้เขาไม่รู้จักตายไม่รู้จักตาย มีคุณธรรม ท, ที่ทำความไม่ตายให้แก่คนนั้นให้มีให้มีคนรู้จักอยู่ตลอดการ น, นานที่สุดเลยนี่เราจะยกตัวอย่างเช่นว่าคนนักศึกษาทั่วโลกนี่มันวูชา เชคสเปียร์นักปราฐนักประพันธ์นักละครในของอังกฤษเนะี่ยเชคสเปียร์ยังก้องอยู่ในหูคนเหล่านั้นโดยไม่มีใครรู้จักลูกหลานเลนของเชคสเปียร์เลยลูกหลานเลนของเชคสเปียร์อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้จักอลนั่นมันเป็นสืบส ก, กุลโดยสายโลหิตมันก็ได้แค่นะั้น แต่ตัวเชคสเปียเองนะ่ะไม่รู้จักตายยังสืบะคุณตัวเองมาจนบัดนี้เขายึดถือเป็นบุคคลพิเศษของโลกนี่นี่พูดตามภาษาโลกนะเอาในประเทศไทยเราก็กได้เอาให้มันง่ายเข้ามาใกล้เข้ามาะใครรู้จักลูกหลานของพระนเรศวรบ้างใครรู้จักลูกหลานของพระเจ้าตากสินบ้าง ที่มันซื้อออกมาด้ดยสายโลหิตเป็นลูกหลานเลีงของพระนเรศวรกว็ดีลูกหลานเลีงของพระเจ้าตากสินกันดีใครรู้จักบ้างไม่มีใครรู้จักหรืไม่ไม่ต้องการจะรู้จักแต่กลับรู้จักตัวพระนเรศวรรู้จักตัวพระเจ้าตากสินไ ม, ไม่ไม่สูญหายไปไหนยังอยู่ในความรู้สึกนึกคิดทรงจำของคนทั่วไปอย่างนี้เรียกว่าสืบสกุลโดยคุณธรรม เอา้าเจะพูดอะไมันสูงสุดเจ้า ท, ทีว่าพระพุทธเจ้าใครรู้จักพระราหุนกี่มากน้อยใครจ ะ, ะรู้จกักพระพุทธเจ้านะกี่มากน้อยใครรู้จักพระราหุนกี่มากน้อยก็ได้ยินกันแต่ชื่อแล้วก็สูญหายไปแต่พระพุทธเจ้านี่จะอยู่จะอยู่จะอยู่ตลอดอพุทธการ หรือถ้าจะพูดถึงพระพุทธเจ้าองค์ก่อนก่อนนูน่นก็เหมือนกันไม่มีใครรู้จักลุก้านของท่านแต่รู้จักองค์ของท่านพระพุทธเจ้าชื่อนั่นชื่อ น, นี่สิกขีวิปัสสีเวสภูใก็สุทาะคุณธรรมของท่านมันสืบพระกุณในลักษณะอย่างนี้นี่คอยรู้จักแยกเป็นสอง ส, สองสองส่วนว่าสืบประคุลโดยสายโลหิต มันเท่าไรแค่ไหนสืบสกุลโดยคุณธรรมนะมันเท่าไรแค่ไหนถ้าว่าเข้าใจเรื่องนี่นึกถึงกันบ้างพยายามให้ดีจะสืบสกุลโดยคุณธรรมแล้วนั่นแหละมันจะไปได้ไกลมันจะเกิดโอกาสทำการทำงานชนิดที่เป็นอมตะอมตะที่เขาพูดถึงกันอยู่เสมอ เรื่องโลกๆอย่างเช็กเซเปียก็ดีพระนเรศวรก็ดีเจ้าตาก็ดีก็เปิดโอกาสให้ทำงานชนิด ท, ที่ไม่ตายไม่ตายอย่างโลกๆ <c oughs> หรือว่าทาไมตายอย่างธรรมะก็คือพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างเขาโอกาสอ ย, าอย่าหาว่าพูดเรื่องส่วนตัวหรือยกอย่องตัวเองนะผม ก, ก็อยากจะพูดขึ้นบ้างเหมือนกันว่า ถ้าผมทำการสืบสกุลอย่างคนธรรมดาไม่ได้มาบวชอย่างนี้นะแล้วสวนโมกจะมีขึ้นได้อย่างไรแล้วพวกคุณทั้งหลายจะมานั่งพูดกันอย่างนี้ได้อย่างไรถ้าผมไปไปทำการสืบสกุลอย่างสายโลหิตธรรมดาไม่ได้มาบวชที่นี่มัน ทำหน้าที่การสืบสกุลอย่างคุณธรรมยอมเสียสละการสืบสกุลอย่างสายโลหิตมันก็เกิดสวนโมกจนเราได้มานั่งพูดกันเห็นไหมรู้ประโยชน์อะไรที่มันจะเกิดขึ้นแก่คนทั่วไปในประเทศต่างประเทศปดีเนื่องจากมีสวนโมกนั่นมันก็มีมากมายมหาศาลถ้าสมมติว่าผมจะสืบสกุลโดยสายโลหิตมันก็เป็นคนคนหนึ่งเท่านั้นมีคนรู้จัก ไม่กี่ช่วงถนนไม่กี่ช่วงถนนไม่จะไม่มีคนรู้จักทั่วประเทศหรือต่างประเทศได้ถ้ามันมีการสืบสกุลทางสายโลหิตนั่งคอยใครๆสนใจเรื่องนี้กันบ้างจะได้มีความคิดนึกที่จะสืบสกุลโดยคุณธรรมเป็นหญิงก็ได้เป็นชายก็ได้ผู้หญิงที่อยู่ในประวัติศาสตร์ที่ไม่รู้จักตายมันก็มีเหมือนกันนี่ <c oughs> เรียกว่าการสืบะกุล โดยคุณธรรมมันมีอยู่อย่างนี้อจงมีความมุ่งหมายที่จะสืบสกุลโดยคุณธรรมอย่างนี้กันบ้างเถอดก็ได้พิสูจน์อยู่ชัดๆแล้วว่าใครรู้จักลูกหลานก็เช็คสเปียบ้างรู้จักลูกหลานของพระเนรเรสวรบงังเจ้าตากบ้าง หรือไม่พระราหุลจึงเป็นลูกของพระพุทธเจ้าโดยตรงใครรู้จักกี่คนเพราะว่ามันสืบสะกุลทางสายโลหิตมันก็แค่นั่นเองถ้าสืบสะกุลทางคุณธรรมเน่มันมันไกลไกลว่า น, นั่นจะเป็นนิรันดรยุคหนึ่งทีเดียวถ้ามุ่งหมายที่จะสืบสะกุลทางคุณธรรมแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อม ไม่เป็นธาตุของกามารมณ์แล้วก็มีการสมรสเพื่อเป็นเพื่อนเดินทางไปนิพพานย่าสมรสเพื่อรส่อยทางกามารมณ์ซึ่งสัตว์เดรัจฉานมันก็ทำเป็นดูเถิดเห็นอยู่จะทุกวันัวนักและแมวสมรสเพื่อกามารมณ์สมรสเพื่อคุณธรรม สืบพันเพื่อคุณธรรมสืบสกุลเพื่อคุณธรรมนั่นแหละจะเป็นการสืบสกุลที่น่าสนใจและเรียกว่าเอาชนะสัญชาติญาณได้เอาชนะอิเลตก็ได้ถ้ายังไม่เคยคิดเคยนึกก็ค่อยลองคิดนึกดู ว่ามันมีโอกาสทำได้ถึงขนาดนี้ซึ่งมีค่าสูงสุดเหลือที่จะกล่าวแล้วทำไมจะมาคิดตื่นตื่นสั้นๆเพียงความรู้สึกที่เป็นการบ้าวูบเดียวคือความหมายของสิ่งที่เรียกว่ากามารมณ์ <c oughs> เดี๋ยวนี้มันไม่รู้ความหมายของคำเหล่านี้ซึ่งแยกออกเป็นสี่คำ กลมารวมคำหนึ่งสมรถคำหนึ่งสืบพันคำหนึ่งสืบสกุลิคำหนึ่งเป็นสี่คำขอร้องให้สนใจความหมายของคำทั้งสี่ให้ชัดเจนให้ถูกต้องให้ลึกซึ้งถึงที่สุดอแล้วก็จะสามารถปฏิบัติให้เกิดคุณค่าแก่ชีวิตออย่างแท้จริงอย่างมหาศารอย่างประเสริฐอย่างสูงสุดได้อ <c oughs> มันอาจจะแก้ไขได้หรืออาจจะสืบต่อให้มันถูกต้องได้ถ้ามันได้ผิดมาแต่ข้างต้นฮรก็ค่้อยข้างปลายมันถูกเถิดเดี๋ยวนี้คนมันเอามาปนกันหมดความหมายของคาทั้งสี่นี้จนไม่รู้อะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรไปปนกันหมดเป็นเรื่องความรู้สึกที่เป็นาธาตุของกิเลสเป็นขี้ข้าของกิเลส ให้กิเลสมันสายหัวไปตามอำนาของกิเลสมันก็เลยไม่มีคุณค่าอันประเสริฐสูงสุดสักเท่าไรคล้อยเปนั้นว่าเดยเป็นมนุษย์แล้วให้มันเจริญก้าวหน้ามาตามลำดับให้มันจนถึงจุดสูงสุดให้ได้แม้ในช่วงชีวิตเดียวให้ผ่านหน้าที่การงานทางโลกโลกจนถึงที่สุดแล้ว ก็ได้หยุดได้พักแล้วก็ได้ทำตัวเป็นผู้สั่งสอนสืบต่อไปให้อนุชนรุ่นหลังเขาดำเนินตามอย่างถูกต้องที่เคยพูดเมื่อคืนก่อนว่าจบชีวิตตะวหารน่เกิดมามีชีวิตชาติหนึ่งจะต้องทำอะไรทำอย่างไรทำเท่าไรจะถึงจุดหมายปลายทางตามธรรมเนียมโบราณที่ว่า ยกสมบัติให้ลูกหลานแล้วระมานุ่งผ้าขาวสวมรองเทา้าขาวกางร่มขาวเท่าเดินอยู่ตามที่โล่งที่อากาศดีไหวพระอาทิตย์หวอะไรไปตามเรื่องอย่างนั้นมันก็ยังไม่ถึงที่สุดตัต้งเอาชนะกิเลสให้ได้มีจิตใจขึ้นอยู่ในสภาพที่เนื้อกิเลสไม่มีความทุกข์อีกต่อไปจึงจะเรียกว่าสำเร็จกิจแห่งชีวิ ต, ตโวหาร เกิดมาชาติหนึ่งไม่เสียชาติเกิดเพราะว่าได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับเมื่อไม่รู้อะไรเป็นอะไรก็เดินไม่ถูกทำไม่ถูกไม่รู้ว่าจะจัดการกับการมารมณ์อย่างไรไม่รู้ว่าจะจัดการกับการสมรสอย่างไรไม่รู้จะจัดการกับการสืบพันธ์อย่างไรไม่รู้จะจัดการกับการสืบสกุลอย่างไร ขอเป็นที่เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนทั้งสี่ความหมายเถิดก็อาจจะจัดปรับชีวิตนี้ให้ก้าวหน้าดำเนินไปอย่างดีอย่างเร็วอย่างทันแก่เวลาถึงที่สุดจุดหมายปลายทางของการเกิดมาดูเดี๋ยวนี้โลกทั้งโลกมันอยู่ในสภาพอย่างไรไม่ใช่อวดดีไม่ใช่ดูถูกผู้อื่น แต่เท่าที่สังเกตเห็นหรือทุกคนอาจจะสังเกตเห็นว่าทั้งโลกคนทั้งโลกเก <c oughs> ือบทั้งโลกส่วนมากส่วนใหญ่มันบูชาการมารมมันเป็นทาสของการมารมสมรสเพื่อการมารุมซื้อพัน <c oughs> เพื่อการมารมซืบอสกุลทางสายโลหิตท่านนั่นอย่างอื่นไม่รู้จัก <c oughs> ขอให้รู้จักแล้วเราก็จะได้ช่วยกันทำ ส่วนถกของตัวให้ถูกต้องแล้ว <c oughs> ก็จะได้ช่วยเหลือส่วนของผู้อื่นให้ถูกต้องให้สําเร็จประโยชน์ทั้งของตนเองและประโยชน์ของอคนล่าวอื่นซึ่งเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตาอยู่ด้วยกันในโลกนี้เราช่วยตัวเองให้ถูกต้องแล้วก็ช่วยผู้อื่นให้ถูกต้องนี่มันเป็นสิ่งที่ทําได้ถ้าเราเองก็เป็นตาบอด เขาจะประจูงคนอื่นได้อย่างไรยังรู้จักชีวิตชีวิตมีมาทาไมสัญชาติยานมีอยู่อย่างไรมันต้องสืบพันุ์มันต้องสืบสกุล เ, เขาทำให้มันถูกต้องกันแล้วกันเพราะยืนยันว่าต้องเข้าใจความหมายของคาทั้งสี่คำนี้โดยถูกต้องามารมคำหนึ่งสมรสคำหนึ่งสืบพันธุ์คำหนึ่งสืบสกุลคาหนึ่ง แล้วไปจัดการปรับปรุงตามความพอใจว่าจะเอาอย่างไรเดี๋ยวนี้ลูกหลานอนุชนเด็กๆของเรามันกำลังถูกหลอกถูกหลอกลูกทำให้กใจผิดเพราะการศึกษามันไม่สมบูรณ์การศึกษาเป็นหมาหางดุนไปๆมาๆลูกเล็กๆ ก, ก, ก็มาหยุดอยู่แค่บูชากามารมณ์ก็ยิ่งหนักขึ้นหนักขึ้นนี่น่าเห็นใจ เพราะาสิ่งยั่วยวนมันก็มีมากขึ้นมากขึ้นเพราะาเขาผลิตกันเป็นการใหญ่แล้วคนมันก็มากขึ้นมันก็ควบคุมกันไม่ไวเด็กๆของเราก็เป็นทาสของกามารมศึกษาเล่าเรียนอย่างยิ่งก็เพื่อจะเอาผลของงานมาซื้อหากามารม เป็นบ้าไปก็มีค่าตัวตายไปก็มีเพราะมันทำไม่ถูกต้องหรือมันมีความโง่มันทำไม่ถูกทางแต่แม้มันจะทำถูกต้องมันก็สูงสุดเพียงแค่เป็นเป็นาธาตุของกามารมณ์เป็นขี้ฆ่าของกามารมณ์ไปจนตายเห็นแก่อนุชนเหล่านี้แล้วจงช่วยการศึกษาถูกต้องเพื่อจะช่วยเหลือเด็กๆลูกหลานอนุชนนี่ให้มันเดินถูกทาง เดี๋ยวนี้เขากําลังถูกหลอกโดยประการทั้งปวง ก, การศึกษามันก็หลอกหลอกให้เด็กเห็นแก่ตัวหลอกให้เด็กบูชากรมารมณ์โดยเจตนาก็มีโดยไม่เจตนาก็มีเมื่อการศึกษามันผิดมันก็เป็นไปผิดโดยไม่เจตนาแต่ที่นี้ถือโดยเจตนามันก็มีะ เพียกว่ามันถูกหลอกโดยประการต้องปลุกเด็กๆเด็กเด็กๆเล็กๆที่ลืมตาขึ้นมาในโลกนี้ถูกหลอกรอบด้านถูกหลอกโดยบุคคลถูกหลอกโดยธรรมชาติถูกหลอกโดยสิ่งแวดล้อมให้บูชากามารมขุดลุ้มฝังตัวเองอยู่เพียงเท่านั้นถ้าเรามาคิดเรื่องนี้ในฐานะว่าเรามันเกิดก่อนหรือว่าเรามัน จะต้องเป็นผู้นำเขานะเราก็จะต้องศึกษาให้รอบรู้ว่ามันควรจะทำอย่างไรดำเนินชีวิตอย่างไร <c oughs> แล้วก็จะเป็นไปจนถึงที่สุดได้โดยแท้จริงนี่คุณจะเห็นว่าเป็นเรื่องนอกนอกขอบเขตนอกวงนอกรีดนอกรอยก็ได้แต่ผมเห็นว่ามันจำเป็นที่สุดที่จะต้องรู้ความหมายของคำทั้งสี่คำนี้ และจะเข้าใจหัวใจของพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องหัวใจของพระพุทธศาสนาต้องการจะอยู่เหนือทุกขต้องอยู่เหนือกิเลสโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิเลสประเภทราคะโลภะหรือกามารม์นั่นแหละมันเป็นตัวตัวร้ายกาศที่กําลังหลอกลวงผูกมัดรัดรึงอยู่เผาลนอยู่จะไม่เข้าใจอความหมายของ โลกุตตรธรรมอย่างถูกต้องถ้าหากว่าไม่เข้าใจความหมายของคำทั้งสี่คำนี้นั้นจึงขอให้สนใจเอาไปคิดนึกพิจารณาให้มีความเข้าใจถูกต้องและมีแผนการที่จะเนินไปอย่างถูกต้องจนตลอดชีวิตไม่เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาขาแสดงความหวังอย่างนี้ การบรรยายในครั้งนี้ก็พอสมควรแกัเวลาครบถ้วนทุกประการในคําที่เนื่องกันสี่คาขอย้อครั้งหนึ่งว่าจงเอาไปพิจรารณาให้รู้เป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาชีวิตที่ถูกต้องศึกษาธรรมะที่ถูกต้องศึกษาหัวใจของพระพุทธศาสนาถูกต้องเพื่ออยู่เนื้อปัญหาเหล่านี้โดยประการทงปวง อาขอยุติการบรรยาย